ที่เราได้ตั้งใจมาบวชบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในบวรพระพุทธศาสนานั้นก็มาดูศรัทธามาดูความเชื่อและมาดูความเมื่อมใสตั้งใจปฏิบัติถึงมีเวลาจำกัดน้อยก็จริงแหตะแต่ทว่าขอให้ตั้งศรัทธาตั้งมาตรฐานการ ปลกฝังจิดใจให้มั่นคงบวชจึงให้ได้ถึงใจได้รัตนาตายยึดเหนี่ยวทางใจของเราไปให้ได้เรียวกว่า บ, บวดเน่งคัมมะปฏิบัติธรรมนึ่งขาวห่วมขาวตั้งสติอารมณ์ตั้งสมรวมกายวาจาจิตสารวมกายคือเราตั้งสติ ด้วยการเดินจงกรมด้วยกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหนึ่งเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานหนึ่งจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานหนึ่งธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหนึ่งรวมเป็นสี่ประการ น, นี้เป็นฐานฐานะทําให้จิตใจมั่นคงทําให้เรามีสติปัญญา แน่นหนาและตั้งใจสติยึดมั่นในคุณภาพและคุณธรรมปัญญาของเราก็เกิดเพราะฉะนั้นสรุปเจความว่าและมะบวชสร้างปัญญาปัญญาเท่านั้นสามารถจะแก้ปัญหาชีวิตของเราได้ถ้าไม่ใช้ปัญญาในด้านโลกุตละปัญญานี้ เราจะแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เลยปัญญาทางโลกียาปัญญาทางโลกก็สหนับทำงานไปวันหนึ่งมีวิชาทางวิศวกรรมมีวิชาทางคณิตศาสตร์หรือทางวิศวกรรมวิศวกร ด้ทั้งด้านไฟฟ้าดาังอะไรก็ใช้ด้ทั้งโลโลเทียวกว่าโลกุตโลคียปัญญาแต่เราก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตได้วิชาที่เรียนมานั้นใช้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตในคือประจำวันนั้นได้ต่อเมื่อเรามีปัญญามีสติดีถ้าเราขาดสติตัวเดียวขาดสัมปชัญญะคือขาดพระกรรมฐาน ควบคมจิตจิตไม่ได้แล้วไหนเหลยว่าชีวิตขอท่านจะแก้ปัญหาได้จะแก้ปัญหาไม่อยากลายเป็นเครียดกลายเป็นคนหลงเหลื่อมกลายเป็นคนใจร้อนกลายเป็นคนผ่อนคลายไม่ได้จิตใจก็ระวบคภาวะระวัง ไม่สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวและส่วนตัวได้บางแห่งบางท่านเป็นด็อกเตอร์มีความรู้ตรงหลายสาขาหลายวิชาแต่ต้องไปตายที่โรงพยาบาลถึงทันยาบางท่านก็ตัดสินใจไม่ถูกต้องโดดตึกตายบางท่านก็คิญญาตายวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกไปตายนอกบ้าน มายอมตายในบ้า น, ววา น, น, นกน็ความเป็นอยู่ของชีวิตนี้ไม่เหมือนกันความเป็นอยู่ของชีวิตไม่เหมือนกันเนื่องจากกฎแห่งกรรมนั่นเองเวลาที่เราเกิดมานั้นเรามีหูมีตามีปากมีฟันมีการทั้งนั้นทุกคนแตกต่างกันโดยเพศวัยโดยวันเดือนปีไม่เท่ากัน เราอายุน้อยอายุมากไม่เท่ากันคนแก่คนอ่อนคนมีอายุเปีเดียวกันรุ่นคล้าวคราวอยู่กันเป็นสาวเป็นหนุ่มแล้วก็มีวัยชันสามอยู่สามวัย ว, วัยปฐมปฐมวัยก็ตั้งแต่หนึ่งขวบตนะั้งแต่คลอดออกมาถึงยี่สิบห้าปีอยู่ในวัยนี้เหมือนกันทั้งนั้นเรียกว่าวัยปฐม อยู่ในปฐมวัยบางคนก็ต่างใจเรียนหนังสือบางคนก็ไม่ต่างใจเรียนเลยนี่แหละมันแตกต่างกันอย่างไม่ใช่มีอายุเท่ากันแล้วดีเหมือนกันหมดไม่ใช่มันอยู่ที่กฎแห่งกรรมจากการกระทำของท่านเองอาจจะมีวิชาความรู้ถึงเป็นด็อกเตอร์แต่วิสัยท่านก็จะไม่เหมือนกันในขณะวิสัยทัศน์ไม่เหมือนกันเพราะ การกระทำของแต่ละคนมันหมดโอกาสที่ดีได้ไม่ใช่ว่าเราเป็นมีมีเป็นคนมีวิชาความรู้และเป็นคนดีหรือมีเงินมีทองซื้อความดีได้หรือซื้อความสุขได้ไม่ได้จะซื้อความทุกข์ได้ให้ความสํานเบ็ดในชีวิตไม่ได้เลย เพราที่หนึ่อยู่ที่นสยัยอยู่ที่กฎแห่งกรรมจากการกระทำของท่านเองให้ความสะดวกได้คือเงินทองแต่ให้ความสําเร็จในชีวิตไม่ได้แน่นอนอันนี้ขอยืนยันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเรามีเวรมีกรรมต่างกันเพราะเวลาไม่มันมันเท่ากันไหมเท่ากาันบัดนี้ก็จะหนึ่งทุ่มหกโมงกว่าไปแล้วเสร็จ เวลาก็เดินเท่ากันนาฬิกายี่สิาฬิกาสระอาทิตย์รับเหลี่ยมไปแล้วต่อสายแสงไฟฟ้าเป็นแสงอาทิตย์แต่แสงอะไระ่ะจะแสงที่จะแก้ปัญหาคือแสงปัญญาท่งนั้นแสงไฟฟ้าก็แก้ปัญหาให้ในจิตใ จ, จท่านไม่ได้แต่ให้สำหรับให้เกิดความสว่างในการทำงาน เท่านั้นแต่นิสัยเราไม่ดีเอาดีไม่ได้ถึงมีแสงสว่างยังไงก็ดีไม่ได้ควรจะดีได้ต้องมีแสงสว่างด้วยปัญญาสว่างในตัวตัวเองมีคุณค่าของชีวิตเจ็ดเวลาเท่ากันแต่ใครหนอจะใช้เวลาแม้แต่วินาทีเดียวให้ให้ดีกว่ากันและเสมอกัน ให้ดีกว่าแม้แต่วินาทีเดียวให้คุ้มค่าและดีโยกันบางคนไม่มีเลยใช้เวลาไปในทางที่ไม่ดีนี่แหละตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่ควรจะแก้ปัญหาแต่ท่านทั้งหลายมากันต่างที่ต่างทางต่างการเวลาต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนา แล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรหรือนี่แหละท่านสาธุชนที่คนอื่นต้องยอมรับเราพระพุทธเจ้าสร้างปัญญาในตัวเราท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ต้องสร้างปัญญาในตัวเกิดแสงสว่างในตัวเองจิตตมาต้องกล่าวให้ท่านฟังว่าปัญญาติดมากับตัวความรู้มีตาราสนใจศึกษาเอง บางคนมีปัญญานอกตัวช่วยตัวเองไม่ได้พึ่งตัวเองไม่ได้แถมสอนตัวเองไม่ได้การมาเจริญกรรมฐ า, านมาฝึกปฏิบัติเป็นการสร้างบุญกุศลให้เกิดปัญญาในตัวจะทำอะไรก็ปัญญาแก้ปัญหาในตัวได้ท่านจะเป็นหนุม่มเป็นสาวในปฐมวัยตั้งแต่หนึ่งขวดถึงยี่สิบห้าปี บางคนเนี่ยอายุเท่ากันเรียนหนังสือมาก็เดกกันแต่บางคนตั้งหลักฐานได้ไวมากร่ำรวดีสามปีมั่งมีสีสุขค้าขายก็ได้กำไรงามบางคนค้าขายเจ็ดแปดปีส0บปีก็เจงไปไม่ได้กำไรแต่ประการใดนี่เนยแตกต่างกันอย่างนี้แหละนอท่านสาธุชนทั้งหลาย คนเราไม่เหมือนกันต้องวิสัยทัศนแตกต่างก็โดยกฎแห่งตามจากการกระทําของท่านเองไม่ใช่คนอื่นทําให้ท่านดีชั่วประการใดนั้นท่านทําตัวของท่านเองโดยเฉพาะไม่ใช่คนอื่นทําให้กลัท่านการจเจริญกรรมาฐานเนี่ยเป็นโลกุตละธรรมที่ต้องแก้ปัญหาชีวิตโลกทย่ปัญญาก็ต้องเรียนพระพุทธเจ้าสอนบงังคับ ต้องเรียนหาวิชาความรู้ใส่ตัวให้ได้เป็นข้อแรกข้อที่สองต้องเรียนปัญญาในตัวโลกกุตละปัญญาปัญญาที่จะต้องแก้ปัญหาชีวิตของตัวเองให้ได้แก้ปัญหาทุกไม่ว่ามีความทุกข์ความยากความลำบากมาจะใช้ได้ใช้ปัญญาในตัวเองเอาไปแก้ปัญหา ท่านมีปัญญานอกตัวท่านจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ไดในวันนี้มาที่กุฏิเด็กผู้หญิงตัวนี้เดียวถามปัญหาตอบได้อย่างดีพ่อเขานั่งอยู่หน้าเราติดยาบ้าติดยาบ้าเด็กตัวนี้เดียวอยู่กับยากเราบอกหนู ลองลองเช้าเด็กหนูชอบอะไรฮะหนูยังเล็กอยู่เนี่ยเด็กผู้หญิงยังเล็กอยู่เด็กชอบอะไรบ้างเขาตอบเลยมันประสบะการก์ขตัวเขาแม่เขากับพ่อเขาเลิกกันเนี่ยนี่และได้ตำาเนี่ยหนู ชอบอะไรคะข้อแรกเขาตอบเลยชอบความอบอุ่นจากพ่อแม่คะ่ะแต่ผู้หญิงตัวนี้สวดพรามกากระย่าทุกว่าโดที่อ่านถือยังไม่ออกอย่างตัวเล็กมากสวดพราหมกาจะไปโศกปขยา่าแต่ย่าเนี่ยว่าลูกไม่ได้เอามาเลยมาเป็นตัวอย่าง บอหล่อพ่อคะหนูไม่ได้รับความอบอุ่นเลยคะ่ะถูกไหมคะหนูต้องการรับความอบอุ่นจากพ่อแม่คะ่ะเรารู้แล้วแต่ต้องแกล้งถามเขาไม่ได้บอกกับเราเหรอเห็นหน่องเราราคาหลาร้อยล้านนะจะบอกให้เห็นด้วยปัญญาอย่าไปเห็นกิเลสของใครถ้าญาตโยมสติไม่ดีนะจิตใจไม่ดี ออกนอกภูมออกทางจะมองคนแง่ร้ายหมดจะไม่พองคนดีเลยถ้าโยมมีสติดีกําหนดจะมาฐานได้เพราะว่าคนเนี่ยจะเป็นหญิงเป็นชายมีทั้งดีทั้งไม่ดีถ้าโยอมมีสติครบวงจรมีโลภุตละมีปัญญาในตัวจะมองคนในแง่ดีหมดจะไม่มองคนในแง่ร้ายเลย เทาทุกคนเนี่ยเขาต้องมีดีเช่นั้นจะไปว่าเขาเป็นคนไม่ดีบางคนว่าคนนี้ไม่ดีบางคนก็แม่ผัวว่าลูกตาไพ่ไม่ดีลูกตะไพ่มันก็ต้องว่าแม่ผัวไม่ดีบ้างก็ส่วนลูกตาไพา่ไอชีดีไหมไม่มองมั น, นแล้วก็ไม่ชอบลูกตาไพ่ไปเอามาไปลูกตาไพ่ทาไมเอามาไปลูกตาไพ่ทาไมเนี่ย บางคนนีกคนจีนตาลูรรกตะภัยอุนไทยมาตอบแม่ผัวสะดิ้นไปเลยตอนอย่างนี้สิหัวเยินดูเฉยเลยเมียตอบแม่ทั้งตัวแม่เป็นคนจีนเหมือนกันเหรอนี่ปริญารานะรญาโทาตุลานะปริญญาโทตุลาเพราะะนั้นมาพูดมาปฏิบัติกำมาฐานจึงเหมือนกันไม่ได้แก้ปัญหาได้อย่างไรก็รแต่ละปัญหาเนี่ยเหมือนกันไ่ย ทุกคนเนี่ยสร้างแต่ปัญหาไม่เหมือนกันปัญหาคนละอย่างทั้งนั้นแต่ไปที่นาที่ลายเวลาที่มีประโยชน์หนูหนูชอบอะไรฮะเขานั่งอยู่ข้าพ่อเ็าากครับหนูไม่ได้รับความอบอุ่นเลยค่ะตอบตรงเต้งเลย แม่กับพ่อมไม่ดอยู่ด้วยกันแม่ไปทำงานบริษัทไม่มาเยี่ยมหนูเลยเพราะมาที่นต้องทรลละกับพ่อเพราะพ่อเธอเป็นอะไรพ่อติดยาเสพติดแลวเถียงแม่ด้วยพ่อมานั่ ง, งนหน้างามเลยหนูไม่ได้รล่าความอบอุ่นเลยหลวงพ่อหลวงตาขาเอาละ ฉันจะให้รางวัลเธอวันี้ตัวเด็กตัวนี้เดียวใช่ไหมได้แั่ตัวใครบ้างไหมเนี่ยในที่ประชุมพอแม่มาอยู่ด้วยกันมียังไหม่มีมั้งแล้วเราเป็นลูกเนี่ยผมว่าพอแม่เนี่ยแตกกันไปมันอยู่ด้วยกันนอน สารยาวชนแห่งลาบุรีเมดเด็กตั้งแต่สิบสองขวบถึง18 1แปดพันห้าร้อยคนถามดูแลพ่อแม่มันอยู่ด้วยกันยังเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นแต่ประการใดเนี่ยวันนี้หนูตอบเลยฉันให้รางวัลเธอพันนะลูกต้องการรับความรักจากพ่อแม่พ่อแม่ไม่ให้ความรักลูกเลยหนูแล้วเป็นยังไง แม่กับพ่อเธอไปยังไงหนูสวดมนต์ภาวนกาได้อุตรคุณทำคุณยังคุณได้อ่านเธอยังไม่ออกสวดตามยายาก่อนน้ำตาล่ง่งเพราะอะไรรู้ไหมลูกชายว่าไม่ได้เติดยาเถอือติดเราพูดต่อหน้ า, นาเนี่ยจำไว้นะเนี่ยลูกตัวนี้เดียวพอแม่ไม่อยู่ด้วยกัน ทะเละกันแม่เป็นคนดีแต่ไม่สามารถจะอยู่กับพ่อเธอได้ก็พ่อเธอติดยาเสพติดติดยาบ้าแล้วแม่เธอจะอยู่ได้หเด็กตามปเปกบตัวนี้เดียวแทะๆนี่แหละยอมจำไว้เด็กชอบความลักถ้ายอมมีลูกจะรู้เลย ถ้ายอมไม่มีลูกก็ไม่รู้หรอกก็ลองไปมีลูกดูบ้างสิถ้ายังไม่มีนะแล้วผัวก็เมียรักกันไหมรักกันแบบไหนเดี๋ยวนี้มีแต่คู่นอนแต่คู่คู่คิดเพื่อนคู่คิดมีไหมเพื่อนคู่ทุกข์คู่ยากไม่มีเลยไม่มีแน่ในบุญเลิศ รถทับขาเละเมียหนีเลยแต่เดี๋ยวนี้หลองพ่อเสกไปเลยใจสู้ปลูกสวนผักปลูกต้นลยาไยเต็มสวนรวยเมียเริ่มจะมาหรือเมียเริ่มจะมาเมียอย่างนี้ต้องเอาไป่วงเวลาหัวโดนขาเละ เมียห น, นีโยมผู้ชายโปรดพิจารณาบางทีเมียเป็นอาวุธพาดหนีเลยโยมผู้ชายห น, นีไปมีเมียใหม่แล้วมีความรู้ทึงปริญญาโทแต่ไม่ใช่คงไม่ใช่โยมผู้ชายที่นี่อันนี้เรื่องจริงที่กุเตหนีเลยบางคงต่อยพ่อมาเป็นจับตาง ่สือหงบุรีแก่มากแล้วเป็นจับกลางอาตมาถามว่าลุกลูกไม่มีเม like, ียไม่ม <eeee> ีเลยไม่มีแบกขึ้นรถเสือลกบุรีเสิอหลกบุรีเป็นจับกลางวันหนึ่งก็ไม่ได้กี่สตันเช่ากระท่อมคุณอยู่ไม่มีลูกไม่มีเมีย ลูกเมียไม่มีพอดีโชคดีนะคนรัตเตอรี่มายันานไทยใบถูกเบอร์นหนึ่งเลยถูกเบอร์นหนึ่งเลยลงุงพอถูกเบอร์นหนึ่งปับ๊บแม่ใหม่มาแล้ยแม่ใหม่เอาแกงมาให้โคโนนถ้วยตถ้วยแลกวเดี๋ยวอยู่ไม่กี่วันเมียมาเลย ลูกต้องแปดคนบอกลุงใครลูกอาคว้าลูกไม่มีตอนที่ผมจนมันไม่มีลูกเมียหนีหมดเลยต้องมาเป็นจับกลางลูกมันเดินผ่านมาขึ้นรถบัสไปกรุงเทพมันไม่ทักรถสักับมันเห็นว่าพ่อเป็นจับกลางดูถูกพ่อ พอถูกหวยเข้าหมดเลยหมดตัวเลยเขาเรียกอะไรดีฮะเรียกอะไรมาต่อจนคนนั้นหนิบคุณันหนับเขาเรียกอะไรไมือจาไม่ได้เราไม่เคยไม่เคยมีทะยามาต่อแล้วพระมาต่อดีนะ่ะพระมารั่วถูกหวยก็พระมาอีกมาเรียบอะไร รู้วต่คนนี้ถูกหวยแม้มีเงินก็ว่าน้องไม่ทองมาพี่มันมีเงินมีทองพี่น้องก็ไม่มีสิงบุรีเดี๋ยวนี้ตายแล้วเงินหมดแล้วเงินหมดแล้วทําไงคะเงินหคนนี้ทาําไงต้องไปบวชเงินต้องเบอร์หนึ่งะเงินต้องหลายแสนลูกก็หายไปเลย พอพ่อโจรอีกลูกก็หายไปเลยเมียก็หายไปอีกตำรานี้มีไหมที่เนี่ยมีไหมมีไหมคะมีไหมมีมีแน่นอนเดีย๋ยววันนี้ตมาถ้าเขาเลิกได้ตมาได้บุญบอกหนูตัวนี้เดียว ข้อหนึ่งตอบได้เลยร้องพ่อคะหนูขาดความอบอุ่นหนูชอบความรักพ่อแม่มาให้ความรักหนูเลยแม่หนูออกไปต้องไปทางานบริษัทไม่มาหาหนูเลิกกับพ่อพ่อนาะงหนูโดยพ่อเธอเป็นอะไรเหือพ่อหนูติยาเสพติด แม่เขานับทาร่วงแม่คือญย่าของเด็กข้อสองเด็กชอบอะไรชอบสนชอบคนนวงคนนี้ถ้วยเทยแตกอย่าตีลูกเด็กสนดีมีปัญญาอยากรู้อยากดูอยากเห็นอย่าตีลูกถ้าทำทชั่วช้าแตกทำไรเราก็ซื้อได้ มีขายแต่ลูกแตกไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปทําที่ไหนลูกทําง่ายหรือเปล่าทําง่ายไหมลูกทําง่ายไหมคะอชุ่งงอลูกทําง่ายไหมฮะทำง่ายไหมฮะไมไม่ไง่าย Äh? โยงงานนึงโยงงานงางานี้บอกจะเป็นยังไง ถ้าใครอยากมีลูกนะพยายามหน่อยแม่ทองใบเลี้ยงเพียนขายเพชรตะพันหันสามท้องออกมาหกคนลูกทั้งหมดมีชิบเ็ถ้าจะออกลูกอะอย่าออกคนเดียวนะมันเสียเวลาออกทีละสองเลยเนี่ยเจมาเนี่ยอายุ8ปดสิบห้า เขาก็สารมาให้ฉีดละร้อยกระสอบแม่ทมงใบเรื่องเพียงคุณคนจีนอา่านโครแทงการรมทุกเล่มกระทั่งแกแล้วอชอบอา่านหนังสือเราให้ทุกเล่มอายุแปดสิบ้าแปสิบหกอ่านหนังสือหมดทุกตัวบ่กชอบมากอายุด80ดสิบกว่าเนี้ยแต่พวกเราคงไม่ชอบอา่านกันแล้วนะ ให้ไปทีารก็ไปทิ้งหมดไปทิ้งหมดนะ อ, งงอันุ้งอ้อเนียคุณเคยอ่านต่ อ, อต่อต่อต่อต่ อ, ตอเลยลําต้องอ่าน ในนั้นนะท่านทั้งหลายเป็นโกด่งตามที่พ่อแม่มาอยู่ด้วยกันเวงกามตามถนงไปโทษคุณโน้นโทษคุณโทษตัวเราดีสุดแล้วเกิดมาทั้งที่อาดีไม่ได้การปฏิบัติกรรมาฐานเป็นการแก้ปัญหาชีวิตที่ถูกต้องตามคำสอนของพรกเจ้าท่านสอนเราให้แก้ปัญหาตรงไหน หลับไปสร้างแต่ปัญหาให้ยุ่งวุ่นวายในครอบครัว น, นะดูสิสร้างปัญหาให้ลูกบอกเนี้ยลูกเป็นปมด้วยละ่ะขนาดตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยังอ่านหนังสือไม่ออกสวดมนต์ทางม่อ ก, กาได้หมดแล้วตามย่าสวดตามย่ามืดต้องสวดมงกุฎย่าสวดได้หมด พุคุณท ร, รมาคุณช้คุณพังมากตาบางคนสวดไม่ได้เลยวั น, นนี้บอกให้สวดดูสวดได้นี่แลละท่านสาธุชนทั้งหลายจะเป็นลูกตาเราใครก็ตามถึงโยมเป็นเด็กสมมุติเป็นเด็กชอบรับความอบอุ่นจากพ่อแม่ทันนั้นไม่มีคนใดเลยที่จะไม่รับความอบอุ่น อาธรามาเคยบอกหลายคู่ที่มีลูกด้วยกันถึงห้าคนขอประทานโทษอย่าเลิกกันถึงหากว่าเราจะไม่สนใจกันให้อภัยก็นหน่อยเดียวไหมให้ลูกมีกำลังเรียนหนังสือเราจะเป็นลูกใครก็ตามมีพ่อมีแม่อยู่ครบถ้วนโดยไม่แยกกันเนี่ยเราจะดีใจไหมเราอาจจะดีใจสบายใจ เลี้ยวซ้ายก็มีพ่อเลี้ยวขวาก็มีแม่นี่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพ่อแม่ไม่มีเลยแล้วเขาจะไปพึ่งใครไปอยู่ก็บย่าก็ไม่เหมือนแม่ไปอยู่กับยายก็ไม่เหมือนแม่ทายาโยมเคยมีลูกจะรู้ได้เราลากลูกไหมเราลากลูกไหมเราก็นึกถึงแม่เรา ว่าเราลักลูกมากก็เหมือนพ่อเหมือนแม่ลักเราเราเคยด่าพ่อแม่แต่พอไปมีลูกเขานึกถึงแม่เลยว่าอ๋อเราก็ลักลูกเราเหมือนแม่ลักเราใช่ไหมจะคิดได้จะให้ความอบูนกับลูกมากเพิ่มขึ้นมองค้นแม่เห็นพ่อแม่เห็นขมิ่งกระปุลทะเลาะกันวิวาดกั คิดว่าพ่อแม่ไม่รักเรามีหลายคนเท่าที่สังเกตมาเป็นเวงกรรมตลอดไม่มีโอกาสที่จะรีได้ตายไปก็เอาเวงกรรมไปด้วยไปนรกนี่เด็กก็ชอบให้รับความออุ่นกระทั่งเล็กๆไม่เหมือนแม่จะอยู่ก็ยากก็เหมือนแม่ อยู่กับยายก็ไม่เหมือนแม่กับพ่อเขาตอบได้ดีมากค น, นบอกหนูไม่สบายแล้วค่ะแม่กับพ่อมันอยู่ด้วยกันเราถามเพื่อจะสอนพ่อครับเราเห็นหนูรู้เนี่ยเด็กคนนี้มีปัญหาแม่พ่อมันอยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กๆพอติดยาเสพติดแม่เอางาะใตแม่เอางานโอการ ตอหน้าแม่มาด้วยวันนี้ในขอ้อที่สองลองไปก็เด็กชอบชนชอบวิ่งชนอยากจะดูอยากจะรู้อะไรัาง่ายอย่าตีลูกทำแตกอย่าตีถ้าคนชนแต่เร็กๆโตจะมีปัญญาคนที่บื่อื่อแต่เร็กๆนั่งเฉยไม่เอาเรื่องเอาลาถือว่าเด็กดีโตขึ้นบื่อื่อหมดมันมีปัญญา เอาดิ้งเด็ก่ะเด็กชอบส่งสามเด็กชอบอิสระเสรีไม่ชอบให้บังคับจนเกินไปไม่ชอบให้นัางนี้เฉยเป็นวันต้องให้เขาได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาบ้างตามนิสควงะกับภาพของเด็กตาใหมรุ่นอันนี้เป็นคำสอนตกเงแต่เจ้าที่แช่จริงแนหะถูกต้อง แต่ใครทำได้ก็อยู่ให้ในขอบเขตของการปฏิบัติหน้าที่ของพ่อแม่กับลูกฉะนั้นพ่อแม่เขาจะดีลูกก็จะดีขึ้นแล้วก็บอกข้าสวดเอามะกาแล้วก็นักก่งกรรมฐานแผ่เมตตาลูกตียาเสพติดหายหมดแต่วันนี้บอกเนี่ยดูเห็นลูกไหมหน้าหน้ารักทําทำไมไปติดยาละ่ะ ขอเป็นฉาบได้ไหมได้รับปากนะรับปากไปเลิกนะเลิกแลงหนูไปบอกแม่เธอกลับมาอยู่กับพ่อเธอตั้งหน้าประกอบอาชีพการงานไปติดยาบ้าแล้วก็มาตลอดไปแล้วมีลูกมีครอบครัวไม่อาบอายขายหน้าเลยไม่ใช่เป็นคนจนนะพ่อแม่ก็มีสตางค์ มนันมีทองนาสิดายเวลาที่มีประโยชน์ที่เกิดมาเทียชาติเกิดประเสริฐไม่ได้ <c oughs> ตัมมาจะบอกว่ามาครุ๊กหกสี่ตาเดินอยู่ตาเดียวเดินอยู่ตาเดี่ยวมันรู้จะจะเปลี่ยนตาเดินมีจํานวนมากไม่ใช่น้อยคนเราก็จนได้รวยได้อย่าดูถูกซึ่งกันและกันอย่าไปดูถู ก, ถกคนจน ล้วจะรวยแค่ไหนไม่สำคัญสำคัญมีชยาสายไหมมีสายท้ายกว้างไกลไห ย, ยโอบอ้อมอารีวจีไพลาะไหมสงฆ์ข้าทุกคนวางตนเป็นกลางไหมละความหินกระตัวอย่ามั่ไบยมุกจ ง, จงหาจงสร้างความสงบปลกให้กับครอบครัวทำตัวเป็นแบบอย่างต่อสังคมทำไม่ได้หรือ สามีภรรยาให้เกลียดกันหนึ่งสองให้อภัยกันรับลองไม่ทะเลาะกันแน่สำคัญไม่เคยให้เกลียดกันเลยและไม่เดียมีการให้อภัยยธาณาพยาโทษถ้าใครจเจริญกรรมฐ า, านได้อย่าที่กล่าวข้างต้นรับลองโยมจะเห็นอกเห็นใจกันระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่กับลูกจะเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จะไม่มีการทะเลาะมีการเคารพ บ, บูชาตลอดในกากระทั่งลูกรักอย่างแก้วตาของพ่อแม่พ่อแม่รักลูกอย่างแก้วต า, แ, แ, า, า, แ, ตาแต่แก้วตานั้นเหมือนลูกจะรักลูกเขาลักพ่อแม่เขาพ่อแม่รักลูกไหมหายากมากพ่อแม่รักลูกให้ลูกได้ทุกอย่างอะไรหนอจะรักลูกอย่างไวสุดใจ ญาติโมยมหญิงโยมชายทั้งหลายเอ๋ยที่เคยมีบุตรธิดาเนี่ยลักลูกไหมถ้าบอกบอกไม่ลักอาตมาก็ไม่เชื่อโยมไม่ใช่มนุษย์ไม่ลักลูกไม่ลักครอบครัวไม่ใช่มนุษย์มนุษย์นี่ต้องใบสุดลักลูกใบสุดให้ลูกได้ทุกอย่างไม่เคยด่าว่าลูกแต่ประการใด อะไรน้อยจะอุ่นเท่าตากแม่เราแล้วอุ่นเท่าวงแขนของพ่อเราไม่มีแล้วพ่อแม่เช็ดโกนเช็ดตูดให้โกนให้ลูกได้แต่ลูกทำให้พ่อแม่ไม่ได้แน่นอนต่มาเห็นมาหลายลายขนาดแม่อุจจาระเต็มหมดขนาดจบปริญญาโทมากระเพื่อน บอกหนูช่วยซักผ้าให้แม่เธอหน่อยนี่บางอาจารย์เีงเต็มหมดแล้วยังไม่ได้รับข้าวเลยบ่ายแล้วพอบานไปดาข้าวยังไม่กลับนับแต่เชา้าลูกต้องแปลเก้าคนพึ่งมาได้สักคนเดียวเนี่เห็นเป็นเวงกรรมเลยลูกก็ไม่ชักผ้าให้มาบอกกับแม่จะเอาเงินสีเหมือนจบพินนศู แม่ก็ร้องไห้บอกรถบีเอมยังส่งไม่หมดเลยนี่จะเอาเงินไปแย่งนาหมดไปสี่แปลงเลยคุณนี่แค่ผ้าแม่ยังซักไม่ได้ลูกสาวนะจบปรญญาโทตุลาจะไปเขียนยานิพลพิมพ์ไปลรูปเล่มเท่านั้นเองอาตมานั่งอยู่นั่นเลยบอกหนูคุยก็หลงพ่อเดียวถ้าเป็นแม่เราเราจะซักถึง ไม่ไปอาบาตโทษผู้เจ้าสอนทำแม่ให้กำเนิดเกิดมาซาัากผ้าซักผรให้แม่ได้มีไม่ใช่แม่แล้วแม่เธอเธอซัาากให้หน้อยไม่ได้เหรอมาไปรีบไปไหนมาก็เพื่อนสามคนจะไปงานศพอยุทยาแต่งานศพนั้นก็ไม่จะเป็นญาติเลยก็หลังเป็นญาติกับเพื่อนต่างหาก ไม่ใช้ยากอะไรเลยเลยแต่แม่ของตัวแท้ๆยังไม่สามารถจะซักผ้าให้ได้ต่อหน้าตมาเลยเนี่ยทีละยังได้ยินมานะบัตรเขา ก, ก็ตายไปหมดแล้วตามาก็ว่ากดแห่งกรรมนะก็ไม่ว่าอะไรกันพอลูกไปแล้วไม่ซักผ้าเขาก็ร้องไห้บอกโยมอย่ารนะ้องเลยตามาก็ทั่วโยมไม่ได้มันมาเป็นพระ โยมเป็นผู้หญิงถ้าเป็นแม่ก็รมาจะซากให้ยันีเชด็ดโกนเช็ดอะไรให้เรียบร้อยทำให้ไม่ได้หรอกน ะ, ะบัตรโทษถ้าเป็นแม่ผู้เจ้าสอนให้ทำได้ช่วยดาเดี๋ยวก็ถามมาคามาโยมแม่ของโยมเป็นอาไรายเป็นอมาภาษยอย่างฉันเนี่ยแล้วยมเคยซักพาให้แม่ไหมไม่เคยอยู่บ้านยาย เนีย่ยโครเกรรมเน่แท้ลูกตอนเจ็แปดคนไม่เคยช่วยแม่เลยให้นาไปให้อะไรก็ไรให้ช่อมบาช่อมบาแันไม่เคยมาช่วยปฏิบัติแม่ตอนเจ็บมาก็ตอนเผาเลยอันนี้เรื่องจริงสําหรับตัดการกรตันยูตุเวชีหายากมากญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยถ้ายมเข้าซึ่งเข้าถึงธรรมจะซึ่งกใจ ผมมีกระตานตโตเวทีต่อพ่อแม่จะไม่ลืมแน่นอนกจาบพระคุณของท่านภูมิบุญคุณอันนั้นต้องได้ข้อแรกเพียงยืนหนอห้าครั้งเนี่ยทําให้ได้กลับไปบ้า น, นทําต่อไปไม่ใช่เลิกนะะกลับมาเรามานีหน่หน่อยจะได้มั้ยไม่ได้มากลับไปบ้านเลิกเลยแล้วไม่เดินจงกรมยังไมนะ่น่ะเลิกแสดงว่าไม่ได้เลยเลยนะเจ้าไปเจ้ามา ้ า, าทําติดต่อไปเรื่อยๆยอมจะต้องกิจการดีขึ้นทําได้จะดีหมดนะเนี่ยวันนี้ยย่าของเด็กบอกเราพ่อะฮะฉันสวดพาวมกาฉันร้องไห้จนน้ําตาไม่มีแล้วมี่ลูกชายเนี่ยไหยติดยาบ้าลูกคนเล็กเนี่ยสลาดมาก เราจมาเพราให้ไปพันโดยกราบเลยไหว้และไหว้อีกหนูจะให้เธอไปเรียนหนังสือฝากย่าไว้ก่อนให้พันหนึ่งวันนี้ให้พันหนึ่งหลวงพ่อสวดมนต์ได้นิดหน่อยเอาไปเอาไปเรียนหนังสือหลวงพ่อหลวงตารักเด็กตั้งใจเรียนหนังสือพูดเด็กฉาฉานมากขายความอบอุอ่นโอนี้เดียแท้ๆ พ, พ่อแม่แยกกัน ไม่ได้รักเลยญาโยมถ้ามีลูกและเป็นอย่างนี้แยกกันระหว่างสามีภรรยาโยมไม่คิดถึงลูกอลอยไปตามถนนทางทั่นเลยและพอสามีกติยาเสพติดด้วยช่วยกันให้บรรลัยทั้งสองข้าววันนี้เลยบอกว่าขอบิณฑบาตได้ไหมคุณ เนี่ยลูกแ ล, แล้วก็สร้างความดีขยันช่วยยา่าช่วยแม่ด้วยใช่ไหมแม่งานต้องเยอะแยะแม่ขวายุมากแล้วโมวจะเที่ยวแล้วปติดยาเถิดนั่นลูกจะเสียหายถ้าเชื่อตามารับรองวันนี้เราได้บุญเยอะเลยเราเด็ก ลูกก็บอกว่าหลวงพ่อถ้าพ่อเลิกได้หนูจะดีใจไม่ใช่นรอหนูจะตั้งใจเข้าโรงเรียนเรียนหนังสือให้เก่งตะต่างพันหนึ่งเนี่ยจะตั้งใจไปเรียนหนังสือพ่อมันน้าตาซึมเลยถ้าเลิกได้จะมาดีใจมากก็ได้ไปดูลูกภรรยาก็เป็นคนดีกลับมาทีไรทะเลาะ ก, กันเรื่อ้เรียนยาเสพติด อัญญาก็ขอลองขอบิณฑบาตแล้วก็ไม่เชื่อแล้วมีลูกเด็กนั้นยังไม่ยอมรับแต่เสียงพ่อเสียงแม่คำไห้ตกขว่าเขาไม่เคยนั่งปฏิบัติเลยเลยบอกกับป้าเด็กบอ ก, กยาก่าเจริญกรรมฐ า, านน ะ, เ, ะเมตตาลูกดีหมดทุกคนแนะ่ลองดูจะเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามเป็นอะไรก็ได้ดีทั้งนะั้นขอให้ทำจริง แต่ไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ขอจเจริญพรการจเจริญกรรมฐานเนี่ยการกรรมฐานเพื่อต้องการระ ล, ลึกเหตุการณ์ของชีวิตได้สองทำให้ฐานะเราดีขึ้นสามทำให้เรารู้กฎแห่งกรรมว่าดีเลยทั่วประการใดจะได้ไม่ทําความทั่วต่อไปข้อสุดท้ายทําให้เราแก้ปัญหาชีวิตเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได แน่นอนสุดไม่มีอะไรดีกว่า น, นั่นเลยบางคนก็ค้าขายไม่ดีมัวเชินมาล่าฟังขายของก็ไม่ได้เป็นหนี้เขาเป็นชินเขามากมายเลยบางยมนั่งกรรมฐ า, านไม่ควรเอาไปทิ้งซะหนิมานั่งกรรมฐ า, านมาสิบปีมาเนี้ยเลิกเลยย่า ไ, ไม่ทําบอกเอาใหม่ทำไปแล้วถัวทามะ ก, กา บัดนี้ใช่หนีเข้าหมดแล้วค้าขายปรับขายหยิบขายดีนี่ทรงเมือออกเมืองนอกอย่กลับไปเดินเจอเพื่อนเก่ามาช่วยกันเนี่ยเพราะสวดพรางเมื่อกาแล้วก็นางเจริญกรรมฐ า, านไอ้เส ม, มอต้อนเส ม, มอปลายหายใจเข้าของหนอยุกหนอตลอดไปยืนหนอห้าครั่งให้ได้แล้วเดินดูเทา้าขวายาหนอดุด ซาอยางหนอนดดค่อยๆทำไปจะได้มีสติสัมปชัญญะดีรวบรวมสติสัมปชัญญะไว้ในหน่วยจิตในคอมพิวเตอร์ในจิตใจธรรมชาติขุนจิตมีเวชนะกาหนดทีเดียวก็หายจิตไม่เป็นกังวลในเรื่องเวทนะที่เกิดขึ้นไปไวก้กระชิบบอกเบาๆฟังเขาสอนชีวิตเราเกิดมาไม่เท้ามอนจะมัวนอนหลงเล่นไม่เป็นการ ไปชามกองฟองเผาเรื อ, อเสมอเย่าเลินเล่ทวนทันรกรรมาฐา น, นไหนๆเราเกิดมาต้องตายแน่นอนไม่มีใครรอดได้เวลาใกล้ตายมีญาติมิตรบ่อยคิดถึงพระละหังเรารู้ยากสุดกคุณ่าพุดทางเพราะกำลังเวทนาทุกอย่างมันมีเวทนาก็โอยอายจากระทั่งตายเลยไหมแต่เราทำกรรมฐานได้ไม่มีเวทนาหรือต้องร้องโวยวายึงกระทั่งตาย สตีดีตลอดจจากจรไปจุมตอนไหนก็ดีหมดมีสติสัมปชัญญะดีจะไปทางไหนก็รู้ทุนทางมักงมันคาคนที่รู้ท้นทางกับคนหลงทางไหนเดียวกันตั้งสติไว้ก่อนบอโบราณเขาโบราณเขาก็บอกว่าพุทโธอรหงังถูบทูกไว้พ่อจะตายแม่จะตายเอาเอาซองทูกซองเทียนมันใส่มือ เราเลือกถึงคุณพระตายไปจะได้ไปสวรรค์ยังไหนไหนไปตกนรกเดี๋ยวนี้ตายโรงพยาบาลหมดเพราะว่ามาก่อนสมัยสี่ห้าสิบปีก่อนโน้นยังไม่มีโรงพยาบาลเท่าไหรนักก็ตายกันที่บาทมีสุสกสฉลากกเล็กน้อยนีนะ่เป็นกฎอันหนึ่งแล้วก็รทำกรรมาฐานเนี่ยมันาการต่ออายุเราได้ วันเกิดของเรานั่งกรรมฐ า, านเดินและกรรมฐ า, านตาดสติอารม์มีพ่อมีแม่คอเลี้ยงให้อิ่มหนำทำลานพ่อแม่เป็นพระหรันรับรองจะเลิญลุ่งเรืองอายุจะยืนไปหนึ่งรอบถ้าคนที่วันเกิดกลับไปกินเหล้าเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเหล้าเพื่อแล้วก็ไม่ทากรรมฐานไม่ต้องตัดบาททำบุญรับรองอายุสั้นหารสอง ต้องตายไวก่อนควรที่ควรจะอยู่ไปหน่อยก็ตายก่อนเพราะวันเกิดดื่มสุรายาม่าวัดทรนหมอนทําลายอายุสังขารของเา้าให้ตายไวขึ้นถ้าวันเกิดของใครมีแม่ไหมเลี้ยงแม่ให้อิ่มแตมาสอนเด็กหนูวันเกิดเธอแล้ววันตายของแม่เธอตั้งใจเลี้ยงแม่อิ่มเลี้ยงพ่ออิ่มนะ ถ้าเธอสราบความดีในวันนั้นอย่าเที่ยวตรวจพาหง ม, มากาไว้หนักเฉลิญกรรมฐานไว้รับรองอายุหนูจะยืนจะทำอะไรก็สาเร็จได้เร็วพลันจะทำธุรกิจหรือจะเรียนหนังสือทังหาก็จะได้เอ็นทาสดาอย่างนี้ได้ผลดีอย่างสมค่าศาสนาด้วยการปฏิบัติการแก้ปัญหาก็ลิ้นปีนะันไม่สบายใจให้ใจเยาว ถาตมูถึงจะดืนและต่างสติไว้ทิ่ลิ้นไปกำหนดลึกๆให้ใจลึกๆเสียใจหนอเสียใจหนอเดี๋ยวหายทันทีไม่เกินห้านาทีโปรอย่าผูกความโกรธอิจฉาใครไว้ในจิตใจจิตใจจะไม่ดีแลกวก็จะเกิดอารมณ์ค้างตอนเช้าไปทำงานจะเสียหายค้าขายจะขาดทุน ไปทำบุญก็จะได้บาปไปเป็นครูอาจารย์สอนจะมาดีดีในวันในโอกาสนั้นด้วยจะไปสอบแล้วก็ตกเห็นท้ายเห็นท้ายก็ไม่ด่าผูกความโกรธทิ้งไว้อารมค้าง <c oughs> ในมาโกรธขึ้นมาเนี่ยให้ใจยาวๆชังนิดให้ใจยาวๆแล้วตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่โกรธหนอโกรธหนอถ้าท่านทั้งหลายทำแก้ปัญหานี้ได้ ความโกรธก็หายไปความดีมาแทนที่โกรธไม่มีในจิตใจจิตใจก็สบายเป็นปกตินอนก็หลับเป็นสุขจะทําอะไรก็ไม่มีทุกข์มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองดูการแก้ปัญหาดังที่กล่าวถ้ามีแต่ความโกรธความหยุ่หยิ้มในใจและความรวบลัดตัดธรรม ญ, ญาในจิตใจไม่ดี นับรองทํำอะไรก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าขาดปัญญาในตัวเองไม่มีสมาธิไม่มีสติไม่มีปัญญาเสียใจหนอเสียใจเรื่องอะไรสติก็บอกเองว่าไม่ควรจะไปเสียใจเรื่องนั้นเพราะเรื่องนั้นไม่เกิดประโยชน์สาหรับเราเสียใจเนี่ยเป็เรื่องของคนอื่นเขาไม่ใช่เรื่องของเราเรากลับไปเอาทุกจรมาไหว อยู่ในใจให้เสียใจตลอดไปทำอะไรก็ไม่เสลี่ขาดสติปัญญากลาบพลายไปว่าเราคลายเป็นคนทุกข์สร้างแต่ความทุกข์ให้กับตัวเองไม่มีการแก้ปัญหาให้แตัวเองแต่ประการใดนักปฏิบัติธรรมน่าจะทำได้แว่การแก้ปัญหาอย่างอย่าไปเพิ่มปัญหาไปหาผีข้าวเจ้าทรงไปหาโมดู เลยกลายเป็นอย่างอื่นไปโดยขาดสติขาดปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้เขาถึงหลักธรรมําสอนพระพุทธเจ้าคือคุณของพระพุทธเจ้าสมประการระปัญญาคุณตุตามย ญ, ญปัญญาปัญญาเกิดจากการสดับกับฟังด้วยสติและสนใจคิดด้วยสติปัญญาจึงตามัญญปัญญา ภาวนามายปัญญาเกิดภาวนาในจิตใจเรียกว่าภาวนาพองหนอยุบหนอลรอเดินรงกลมอย่างใดอย่างหนึ่งเหลียวซ้ายแลีวขวาคู้หยียดเีดขาตั้งสติไว้รับรองเลยเลยว่าปัญญาเกิดสามารถกําจัดความชั่วจากตัวได้ตัวในตัวเองจะไม่มีความชั่วสต่ารการใดความชั่วเกิดขึ้นก็จะแก้ไขปัญหาได้เราจะไม่สร้างความชั่วให้มีอยู่ในตัวต่อไปแล้ว มีแต่แสงสว่างคือปัญญาลอกดูในกองการสังขารท่านจ ะ, จะอ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้าจะใช้ตัวเป็นจะได้เห็นตัวตายจะได้คลายชีวิตจะได้ดำเนินชอบจะได้ประกอบกุศลได้ผลนานเป็นหลักฐานยํำคัญอีกด้วยหายใจยาวๆไว้แต่คนหายใจสั้นจะโมโหลายแล้วก็ใจร้อนทำอะไรไม่เฉเี่ยคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็น หากเราไปไหนใจร้อนน่ะจะลืมโน่ลืมนี่ลืมอะไรหลายหลายอย่างถ้าเราใจเย็นทั้งอย่างเดียวตั้งสติจะช้าโผชาจะได้พลาสงเลี่มงามใจเร็วด่วนได้สามพรามบอกมิได้ทําอะไรก็ใจเร็วไม่เกิดประโยชน์สติผลจะประการใดชาโผชาจะได้พลาสงเลี่มงามจะไปไหนก็คิดก่อนว่าจะลืมอะไรหรือเปล่า ตั้งสติไว้อย่างเดียวเท่านี้เองจะไม่มีเรื่องอะไรไปก็สะดวกไปสะดวกมาเดินทางก็มีแต่โชคมีแต่ชัยไม่มีเสียดจังไลจะประการใดไปไหนไม่มีสติขาดสมาธิขาดปัญญาขาดการกาหนดจิตไม่มีสติปัญญาไปไหนก็ลืมโน่ลืมนีม่ตลอดไปถ้าไปเข้าบา้านเขาไม่รู้ว่าจะไปพูดเรื่องอะไรควรจะพูดเรื่องไหนก่อน หลับไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรแล้วแต่กลายเป็นคนไร้ปัญญาเลยงานไม่สาเร็จงานที่ไปพูดไม่มีความเฉื่อยเศษพลันแต่ประการใดหลับเป็นคนพูดลอยไปลอยมาไม่มีเหตุมีผลไม่มีต้นไม่มีปลายมีแต่เสืียจังลายตลอดเลยการนี้ชัดเจนมากขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมไว้ด้วยเดินตรงกลมนั่งภาวนาแล้วจะคิดอะไรก็ออก คิดหนอที่ลิ้นปีน่ะให้จะยาวๆกาหนดคิดออกมาจดเข้าไปเลยรับรองว่าคิดนั้นแก้ปัญหาได้คิดได้เร็วมากและความคิดนั้นก็ถูกต้องด้วยคิดได้เร็วด้วยและถูกต้องด้วยเอามาใช้ได้เลยในปัจจุบันนะทำอดีตไม่รื้อฟื้เหลืองอื่นไม่คิดกิจฉชอภามปัจจุบันนั้นสาคัญมาก ทำอะไรอย่าคิดแต่อดีตที่ผ่านมาเป็นความฝันปัจจุบันเป็นความจริงอนาคตไม่แน่นอนอย่าไปาคิดอววรุ้งไหลอนาคตยังไปไม่ถึงแล้วก็ยังมาไม่ถึงเราอาจจะพลาดผิดมือไปอย่าจับมั่นคัมาตายผิดหวังจะเสียใจตลอดชีวิตอนาคตเป็นเช่นนั้นปัจจุบันจะทำอะไรก็ให้มันเ็จไปในวันนี้อย่าไปโกรธอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปอิจฉาลิษยาใครจะเกิดเหตุผลห้าประการหนึ่งทำให้เป็นทาให้เกิดอุปสรรคทำให้เกินความแต่แยกความสามัคคีสองไปอุ้ปษษระสาทในการประสานงานที่ดีสาขายขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานสสร้างศัตรูให้กับตัวเองห้าไม่มีความจริงใจกับใครเลยอู้ฉาคน ลัทธยาเนี่ยเราต้องตัดปัญหานี้ออกนะจิรินปีเนี่ยหายใจยาวๆเพราะฉะนั้นคนเราเลือดลมไม่เหมือนกันบางคนเลือดลมไม่ดีดานเลือดดานลมไม่ดีถ้าหากว่าทําจเจริญกรรมาฐานตั้งสติอารมณ์ด้ดนเลือดจะหายไปดานลมจะหายไปจะไม่เป็นลมเพลลมพัดไม่มีผีเข้าโจโงเพราะมีสติดีแล้วงั้นมาสติดีแล้วปัญญาก็เกิดขึ้น ใครจะมามีเป็นผีมาเข้าส่วนไม่มีเลยมีแต่แสงสว่างให้เราเห็นแสงสว่างในตัวเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยเห็นมรรคผลคาแก้ไขปัญหาได้แสงรสว่างไฟฟ้านี่แก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาได้สำหรับทำงานจะ่แก้การปัญหาชีวิตไม่ได้ว่าเรามีปัญหาในจใจอย่างไรไฟฟ้าช่วยไม่ได้แหลงพระอทิตก็ทวนไม่ได้ แต่แสงปัญญาที่เราได้จากภาวนาด้วยเกิดสมาธิภาวนานีแก้ชีวิตได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกัพ่อหน้าได้แล้วก็แก้ส่วนรวมในครอบครัวว่าเราอยู่สามีภรรยาควรจะแก้ปัญหาอย่างไรไมีบุตรธิดาควรจะเรียนหมอไม่จะเรียนแพทย์อย่างไรคิดแล้วก็จะรู้เรื่องเหตุการณ์ได้ชัดเจนในเรื่องของตนโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนั้นการที่จะปฏิบัติธรรมนี้แสนจะยากถ้ายมกลับไปและทำติดต่อกันไปเสมอต้นเหมอปลายรับรองโยมจะมีปัญญาไม่เคยคิดได้ก็นดะพราคิดด้ไม่เคยรู้ก็ได้รู้ไม่เคยรู้ว่าอารมณ์เราเป็นทุนเฉียวอย่างไรก็ได้รู้ขึ้นว่ามลมร้อนไปไม่ดีเลย จะเสเนยจังไรจะพูดจาพาทีก็ลวกลวกลนนพูดก็ไม่ทันจะคิดไม่ใช่มีสติปัญญานึง่งจะพูดอะไรก็พูดไปเลยละคำพูดนั่งละล้วมละแหละเลี้ยวไหลไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นศัจจะเมตตาสมัคคีมีวินัยแต่เรามีความจริงใจพูดต่อกันโดยไม่เคยลุ้งแวงไม่ละล้วมเลยวไหล จะพูดจริงทำจริงทุกสิ่งทุกประการก็เกิดผลเกิดมรรคให้เราได้สามารถจะแก้ปัญหาชีวิตในการพูดนั้นได้โบราณท่านว่าไว้อย่างนั้นเอาความจริงเข้าไปแก้กับร้ายกายดีนีนะ่ความจริงใจเข้าไปแก้กับร้ายกายดีได้เขาลายมาจยาล่ายตอบเขาไม่ดีมาเอาความดีไปแก้ขายคนต น, นีให้ของที่ต้องใจ ควรพูดเล้วหลให้ความดุเอาความจรินใจไปสนทนาถึงจะได้ผลดานิสงในการปฏิบัติหน้าที่ของเราโดยสมอาคาตตาธนาทุประกา ร, การในครอบครัวก็ดีถ้าเราทำได้ใจเย็นสักคนรับรองในบ้านเนี่ยเย็นหมดทำอะไรก็สมเร็จตามมราคนเท่าที่กล่าวแล้วทุประกา ร, การสามารถจะแก้ปัญหาให้คนอื่นได้ ถ้าหากว่าปัญญาของเราไม่มีมีแต่ปัญญาทางโลกทำงานทางโลกแต่ปัญหาทางธรรมทางจิตใจเราแก้ไม่ได้เลยคิดไม่ออกบอกไม่ได้ใช่ไม่เป็นเพราะว่าแต่ละคนมีแต่ปัญหาท่งนั้นแต่ปัญหามากกับน้อยไม่เท่ากันบางแห่งก็สร้างแต่ปัญหาให้เกิดขึ้นในครอบครัวมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเลย บางแห่งก็สร้างสิ่งที่มีประโยชน์ให้ครอบครัวลูกเต้าเรียนหนังสือเก่งเล่นก้าวหน้าหมดทำอะไรก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตกิจประจำวนันสมปรารถนาทุกประการเป็นประโยชน์ดีไม่ใช่น้อยขอฝากญาติโยมไว้ในที่นี้เหมือนกันการกาหนเดเขตตั้งสถิไว้หายใจ ย, วยาวๆคนที่หายใจชันมันคิดอะไรไม่เคยออก บอกไม่ค่อยได้เอาแต่ใจตัวเองตลอดเลยการและมองไม่เห็นเลยว่าเอาใจตัวเองเราเอาใจตัวเองแล้วก็เข้าข้าตัวเองก็แสดงว่าเอารัดเอาเปรียบคนถ้าคนเราเนี่ยเสียเปรียบเขาดูบ้างจะทําอะไรสําเร็จหมดไม่ต่อไปเอารัดเอาเปรียบใครก็เอารัดเอาเปรียบก็ไม่เกิดประโยชน์สัตยผลแต่ประการใดบางคนเห็นกับตัวเอง เอาลัดเอาเปรียบตลอดเรืการไม่เกิดประโยชน์สัตย์ผลจัดการใดอันนี้เรื่องสาคัญมากถ้าเรามีสติปัญญาสวดมนต์ภาวนาไว้แล้วจะไม่เอาลัดเอาเปรียบใครเลยมีแต่ให้กับช่วยยิงห้ายินได้แน่นอนแล้วช่วยเขาหน้าทลายเขาก็ช่วยเราเท่านั้นแต่เราช่วยเขาเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรคนอื่นก็ช่วยเราแทน อย่างนี้ไปเรื่องสำคัญถึหากว่าเราเลี้ยงลูกมาขอขอประทานโทษเอาบุญเถอะแห่เขาได้มีโอกาสเรียนรู้เรียนวิชาความรู้เป็นดรคเตอร์แล้วมีงานทํามีหลักฐานใช้ได้แล้วเราก็เอาบุญไปยาคุณตอบแทนไม่มีทางที่แทนเราได้เราก็แก่แล้วเขาก็ต้องไปมีครอบมีครัวเราเป็นพ่อแม่ต้องการให้ลูกมีครอบมีครัว มีผัวมีเมียกาันต้องการเนี่ยเขามีหลักฐานมีงานทําต้องการให้เรียนจบครบทันทันเวลาเป็นปริญาโทรปริญาเอกเป็นต้นก็พอใจสํหาหรับพ่อแม่เราเป็นพ่อแม่นับวันจะเท่าเลระแก่ฉลาแล้วก็ตาจากโลกไปแล้วเกิดมาทําไมเล่าญาติโยมที่รักเ อ, อ๋ยเกิดมาเพื่อรอเวลาตายได้มาพ่อเลีมารอเวลาเสีย ได้ม า, าเพื่อลอเสียงมีเพื่อรอเวลาหมดเจอกันเพื่อลอเวลาจากเราสามีภรรยารอกันเพื่อพลาดพลากจากของไปทีลักของชอบใจจกันทั้งหลายทั้งสิ้นสามีภรรยาก็ต้องจากกันไปวันหนึ่งข้างหน้าแต่ก็ขอประทานโทษขอเสนอเนี่ยอย่าจากกันตอนเป็นเลยไปจากกันตอนตายเถอะตอนเป็นเนี่ยให้อภัยกันเถอะ มีอะไรก็ให้อภัยยาทานให้อภัยโทษให้เกียรติเช่นกันเลยกันไปลามาไหว้ต่อกันให้เกียรติกันให้เครดิตและให้อภัยการลาบลองโยมจะอยู่กันกทั้งตายเนี่ยเราถึงจากกันถึงหากว่าไม่จากกันตอนเป็นเราก็ต้องจากกันตอนตายเพราะฉะนั้นอยู่กันกระทั่งตายก่อนจะตายก็สร้างความดีร่วมกันสามัคคีร่วมใจ สร้างความดีให้แก่ลูกทำถูกกับหลานสามีภรรยาอย่าทะเลาะกันเห็นอกเห็นใจกันไว้ม่อะไรก็ให้เกียดกันก่อนแล้วก็ให้อภัยกันนะอย่าทะเลาะวิวาดการพูดดีเข้าใจง่ายพูดร้ายเข้าใจยากถ้าเราพูดร้ายต่อกันเนี่ยจะเข้าใจยากจะไม่ค่อยรู้เรื่องถ้าเราพูดดีต่อกันประษางานที่ดี ด้วยเจตนาเป็นกุศลแล้วรู้เรื่องหน่ายทะเลาะพูดไม่ดีต่อกันไม่เจตนาดีเลยรับรองเข้าใจกันยากมากมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะไม่ให้เกียดกันและพูดกันไม่รู้เรื่องตอนนั้นอาตมาว่าไม่ดีก็ขอให้พูดกันเข้าใจกันได้พูดดีดีไว้ พูดให้เพราะๆไอ้ตามหวานยิ่งสึ่งจากลมปากหวานหูไม่รู้หายจะปรารถนาพระพัฒในปัตตภีเอาไม้ตรีแรกได้ยางใจจงข อ, ขอฝากไว้หมุ่งความชั้ละลดละความเหม็กระตัวย่าหม้อใบยมุกอันจงสร้างความสงบสุขให้กับครอบครัวตามตัวเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไปเถิดประเสริฐที่สุดข อ, ขอฝากญาติโยมไว้ในโอกาสอันเป็นมหามงคลในวันนี้โดยทั่วนากัน อย่าให้เป็นอาภัมมงคลบ้านของเราสามีพยยรรรัญญาโปรดลกสมรสมาชั่วทีสร้สรสรสรสางความดีให้ลูกให้ได้บ้านนั้นบ้านเราจะได้เป็นบ้านมหามงคลเงินจะได้ไหลนองทองจะได้ไหลามาล่ำรวยมหาศาลเป็นมหามงคลจะทำอะไรก็ได้ผลได้มากได้กลไรชีวิต ร้อชีวิตเกิดมาได้กำไรเงินก็ไหลนางทองลหลมาได้สมปรารถนาทุกประการอาตมาพรอมมูทนาสาธุ ก, การแก่ท่านทั้งหลายโดยถุนากาันการเจริญพระกรรมฐ า, านกลับไปแล้วก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในธรรมสัมมาปฏิบัติในหน้าที่สร้างความดีให้กับลูกหลานสามีภรรยารักกันให้ดีมีปัญญาสมปรารถนา ไม่ทะเลาะมีวาการบ้านนั้นเป็นบ้านสันติภาพบ้านสันติสุขความส น, นุกในครอบครัวมีอะไรก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้พี่น้องจงช่วยตองดองกันพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่สร้างความดีให้พ่อแม่ตลอดไปมีอะไรแบ่งกินแบ่งกันใช้ไม่งั้นมันจะเน่าเรื่องเล่าไม่เล่ามันจะลืมมันจะเสียหายประการใด เราก็แบ่งกินแบ่งกันชายเดี๋ยวเราก็ตายจากโรคไปแล้วไม่ต้องมีอะไรกันอีกต่อไปสุดทายนี่ขออำนาจกุมารศรีรัตน์ตายบุญสมท้องหลายโปรดประทานพรให้หยาดโยมตั้งร้ายโดยถุนากันจงประสบแต่ความสุขกัร น, น, นิรันดร์ขอจงเจริญจะตุพิลาพรชายชื่อประการมีอายขุขอให้ยืนนานมโนโพิรุภันธุผ่องใสสุขค้างค่งอยสุขภาพตายอนามายัยทุกท่านโปรดรักใจดี โลกภัยขจบมีก็โปรดทายสิ่งทั้งหลายที่คิดไวในบัตรนี้จะคิดต่อไปโอกาสหน้าจวงพลังงานเกิดความสำเร็จประเด็จพร้อมแจกจำลงความหมาดราธนาด้วยการทุกทุกท่านหนโอกาสบัตรนี้เทินขอเจริญพรทุกทุกท่านค